ที่สามแพงกรุงเทพใต้ใจเราเนี่ยเป็นยังไงเราสามารถตอบตัวเองได้หมดนะ่ใจเราสบายหรือใจเราไม่สบายใจมันผ่องใสใจมันเฝ้าหมองใจมันง่วงซึมใจมันเบิกบานใจมันผ่องแผ้วใจมันมีรู้สึกหดหู่ท้อแท้เบือเบื่อเต็งเต็งใจเบิกบานผ่องใสหรือว่าใจเป็นสุขหรือว่าใจเป็นทุกข์หรือใจเป็นกลางๆหรือว่า มีความแอบคิดแอบอยากมีอะไรกับใครทั้งบ้านรักบ้านชังแต่เรารู้เองเราตอบตัวเองหมดในทางที่เป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วฝ่ายบุญฝ่ายบยาปฝ่ายกุศลอกุศลเราเป็นคนตอบตัวเราเองได้บทเราไม่ต้องถามใครเราจะไปถามใครใจเราอ่ะใจเราเป็นอย่างไรอะเรารู้ตัวเราเองดีทำไมต้องไปถามคนอื่นเราแอบรักแอบชัง Well, no find, แอบสนิติเพียนตนเองหรือแอบนิติเพียนคนอื र, र ่นแอบดินถาว่าร้ายผู้ใดแอบลักผู้ใดแอบอยากมีอะไรกับใครใจเรารู้ดีเราไม่ต้องไปถามใครล้วไม่ต้องปกปิดตัวเองใจเรารู้ดีเรารู้เราก็ดูไปดูไปดูใจของเราไปดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอย่าหนีอย่าหนีอย่ากลัวอย่ากดอย่าข่มอย่าบังคับอย่าผักไส แล้วก็อย่าเผลอไหลไหลตามไปเราก็พุทโธไว้นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนึกไว้ในใจถ้ามนึกไว้ในใจไม่ค่อยชัดเจนก็ออกบริกรรมอนุญาตในปากขมุขขมิดได้แต่ถ้าปากขมุขคมิดแล้วมันก็จะไม่เห็นความคิดความคิดพุทโธเพราะพุทโธมันก็คือความคิดหรือจิตที่ปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งมาในฝ่ายธรรมพุทโธพุทโธเป็นความคิดหรือจิตที่ปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งมาในฝั่งฝ่ายธรรม แต่ความคิดอื่นๆที่เป็นกิเลสตัณหาเป็นความพอใจความไม่พอใจเป็นความที่หล่นทายามอยากในประการต่างๆตั้งรับทั้งชังทั้งที่หลนผักใส่ทั้งด้านที่ไม่พอใจล้วนเป็นกิเลสตัณหาที่กําเริบขึ้นมาหรือเป็นโทสะพยาบาทอาชาตแค้นถูกแใจเจ็บหรือว่าเ อ, อมีความวิตกกังวลมีความซ่อมมองไม่ปลอดใสมีความ คิดเล็กคิดน้อยคิดถึงคิดยับแอบคิดอะไรอยู่ในใจกับคนใดกับปิงใดเรื่องราวใดๆอยู่ตลอดเวลาเราก็เห็นเห็นเห็นเห็นเห็นไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเห็นความคิดเหล่านั้นพรอความคิดเหล่านั้นมาปรุงไปในทางหลักพะโธตะโมหะความคิดพุทโธมันปรุงไปในทางธรรมพุ่งเหมือนกันในอด้านหนึ่งพุงไปในทางธรรมคิดปรุงในทางพุทโธพุทโธพุงไปในด้านธรรมกับอีกอันหนึ่งก็คือคิดปรุงไปในทางที่เป็นกิเลสสังหาในทางที่เป็นหลากะโธตะโมหะ เราก็คิดไว้คิดพุดโทโธในทางธรรมไว้เดี๋ยวมันก็คิดไปในทางในทางที่พุงที่เป็นกิเลสปัญหาเป็นทางโลกเราก็คิดพุดโทโธพุงในทางธรรมไว้เรียบเหมือนว่าคิดพุดโทโธในทางธรรมหรือในทางโลกเนี่ยวันหนึ่งเราคิดน้อยเราคิดแค่ร้อยครั้งแต่เราคิดพุงในทางที่เป็นกิเลสตัญหา เป็นความรักความจางความพอใจความไม่พอใจตำหนิติเตียนอิจฉาลิษยาผู้นั้นผู้นี้คิดเล็กคิดน้อยคิดหยิ่คิดอิจอยคิดจับคิดชุกคิดจิบอะไรอยู่จิบจิบจิบิบเป็นหมดไอใจตัวหนึ่งต้องแอบรักแอบจางแอบคลแอบพอใจแอบไม่พอใจแอบตนเตียนแอบพิศกลังวลซ่อมหมอต่างๆอันนี้เป็นทางที่คิดเป็นทางที่เป็นกิเลสตัณาเหมือนกับการคิดครั้งหนึ่งก็มีทหารฝ่ายทหารฝ่ายข้าศึกฝ่ายตอกันข้ามโผล่ขึ้นมาคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งทุกครั้งที่เราคิด ปรุงขึ้นวันในด้านกิเลสตัณหาแต่เราถ้าเราปรุงไปทางกิดธรรมพุโธก็เหมือนกับเป็นทหารที่ฝ่ายหนึ่งเหมือนกับฝ่ายขาวทหารฝ่ายขาวอีกถ้าเราคิดปรุงกิเลสตัณหาก็เหมือนกับทหารฝ่ายดําถ้าเราคิดปรุงปล่อยให้คิดปรุงฝ่ายกิเลสตัณหามากๆความทุกข์ใจความวิตกกังวลเสี่ยงมอ ง, งต่างๆที่ปรุงขึ้นมา มันก็จะทําให้ทหารฝ่ายที่เป็นเป็นฝ่ายดําสมมุติอะั้นเป็นฝ่ายสมมุติฝ่ายดำขึ้นมามันก็จะมีจํานวนมากขึ้นาฝ่ายขาวมีจํานวนน้อยก็สู้กันไม่ไหวอย่างเนี้ดังนั้นท่านมาอยู่ที่นี่มีเวลามากว่าสมควรใจเย็นๆ ค, อ ค, อคน่อยๆคิดพุธโธไปเรื่อยๆท่านคิดพุธโธขึ้นมาครั้งหนึ่งสมมุติว่าคิดครั้งหนึ่งก็มีทหารฝ่ายขาวฝ่ายบริสุทธิ์ฝ่ายธรรมโผล่ขึ้นมาคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งส่วนท่านเผอไม่ได้คิดพุธโธ ไปคิดกิเลสตัณหาคิดแล้วมีสองทุกข์ใจคิดแล้วทำนี้ไม่สบายใจพิจตกณาองวนซ่อมมองในเรื่องต่างๆก็เป็นคิดครั้งหนึ่งก็เป็นทหารฝ่ายฝ่ายดหรือฝ่ายที่เป็นกิเลสตัณหาเก็ขึ้นมาคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งถ้าก็ลองเปรียบเทียบ ก, กันดูว่าทะวันหนึ่งท่านคิดฝ่ายกิเลสตัณหามากทหารฝ่ายข้างที่เป็นกิเลสตัณหามากทหารฝ่ายที่เป็นพุทโธพุทโธฝ่ายข้างทำน้อยันเจะรบกันยังไงชนะ ค่าเสริมมากกว่าสู้กระไหลกรแพ้ทุกทีตู้กระไหลกรแพ้ทุกทีท่านก็บริการพุโทโธคิดพุดโทโธแต่ละครั้งก็ไปสนทหารสร้างทหาราฝ่ายที่เป็นฝ่ายธรรมฝ่าย้าให้มาขึ้นมาขึ้นมันก็มีกําลังเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็สามารถชนะจัดการค่าเสริมได้นี่นะอย่างนี้แล้วก็ตัวของนั้นเองแล้วก็จะรู้เองว่าท่านคิดพุดโทโธอยู่หรือว่าท่านคิดในเรื่องที่เป็นกิเลสนาหรือคิด ที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจหรือคิดตัวตัวเจริญใจในเรื่องต่างๆถ้าก็รู้ตัวเองแล้วถ้าก็คิดพุโธไว้พุโธพุโธพุโธพุโธไว้ความคิดพุโธมันก็มีกําลังมากกว่าไปเรื่อยๆเมื่อความคิดพุโธมีกําลังมากกว่าไปไอความคิดฝ่ายที่เป็นกิเลสต่าความทุกข์ใจความไม่สบายใจเป็นกิเลสชอบมองต่างๆมันก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปถอยลงไปจะค่อยหมดกำลังไปและจะหมดไปในที<ๆ>่สุดใจก็จะมีความสงบรุ่มเย็นผาสุก คามคิดพุโทโธมันก็จะละลายหายไปเองเพราะว่าหมดคาศึกแล้วเมื่อหมดคาศึกแล้วสารไฟที่เป็นความคิดพุโทตทั้งหลายก็หายไปหายไปเับนตําแหน่งเหลือแต่ความสงบใจความผานสุดใจหลังจากนั้นท่านก็มีสติสติรู้จิตจิตกับที่จิตนึกจตความปุงแต่งขึ้นมาพอใจก็สงบแล้วหรือบางคนที่มีใจมีควาสมสงบเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ก็สังเกตให้ดีๆเด็กจิตมันก็คิดก็นึกก็ตึกก็ตอมปรุงแต่งในเรื่องต่างๆเดี๋ยวก็เขพิ่มขึนมาไหวเสวขึ้นมาท่านก็เห็นหมดสังเกตให้ดีๆนะมีสติตั้งมั่นสังเกตให้ดีๆว่าจิตมันก็เพื่อมไหวตัวก็เพื่อมไว้ตัวขึนมาในการต่างๆคิดนึกติดตอมปรุงแต่งในการต่างๆก็ค่อยๆไหวตัวขึ้นมาคิดขึ้นมาด้กขึนวางตั้งใจขึ้นมาจงใจขึ้นมาเจตนาขึ้นมาท่านจะเห็นหมดนะ เห็นมันหมดจิตเป็นยังไงก็เห็นหมดเห็นหมดเห็นไปเรื่อยๆตัวนี้ถ้าท่านเห็นอยู่อย่างเดียวเนี่ยบางคนกาลังไม่ไม่พอเขพุทโธไปด้วยพุทโธไปด้วยเห็นไปด้วยพุทโธไปด้วยเห็นไปด้วยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในตอนแรกนะเหมือนกับว่าสร้างทหารฝ่ายขาวไปลบกับฝ่ายดำพอสร้างสร้างพุทโธพุทโธพุทโธทหารฝ่ายขาวเข้มาเข้าทหารฝ่ายที่เป็นฝ่ายกลางดํานั้นที่เป็นกิเลสตนณาทั้งหลายที่เป็นข้าสึกต่อใจนั้นก็จะค่อยมีกําลังน้อยลงใจก็เข้าสู่ความสงบ แต่พอพุโทโธในขัานวิปัสสนานั้นท่านพุโทโธไปด้วยดูรูเห็นใจตนเองไปด้วยเรียกว่าพุโทโธในขั้นของวิปัสสนาอันนี้ไม่เหมือนกรณีแรกกรณีนี้น่ะคือท่านคิดเรื่องอื่นมากคิดพุโทโธน้อยแล้วท่านก็คิดพุโทโธให้มากไวความคิดอื่นก็น้อยนอนไปเองโดยอัตโนมัติเพราะท่านคิดพุโทโธมากแต่กรณีหลังนี้ กอนนี้หลังคือแจ้าขท่านมีความสงบลมเย็นพอที่จะดูเห็นรู้เห็นจิตใจของตัวเองในทุกขณาจิตแล้วท่านก็พุทโธพุทโธแล้วก็ดูรู้เห็นใจของตัวเองทุกขณาจิตเพราะว่าถ้าท่านมีสติเพ่งกําหนดดูอยู่ที่จิตอยู่เฉยเนี่ยบางทีมันก็เข้าไปกดไปข่มมีสติเพ่งกําหนดอยู่ที่จิตดูที่จิตเห็นจิตเพื่อเพื่อไว้ตัวถ้าว่าคนไหนทําได้แบบนี้ก็ทําเลยโดยไม่ต้องพุทโธเพราะว่าก็เป็น <pouch. S 2> censorship. ทำดีท่านสามารถทําได้อยู่แล้วก็ทํำเลยให้สังเกตสังเกตให้มันคงมีสติสังเกตให้มันคงว่าีกตัวเองกับเพื่อนไหวตัวอย่างไรมีอาการอย่างไรมีกฤติกรรมอย่างไรมีเสียงคิดอย่างไรก็สังเกตให้มันคงถ้าก็สังเกตได้เลยมีสติกําหนดรู้อยู่ที่รู้นั้นให้สติกําหนดอยู่ที่รู้รู้รู้รนั้นรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยลงพุทาว่ารู้ไปเรื่อยไม่ต้องทำอะไรต้องติ่นรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวอย่านีอย่านี้อย่ากดอย่าข่มอย่าอยากให้เป็นไปอย่างไรอย่าบังคับ แล้วก็อยา่าเบื่อเบื่ตามไปให้รู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวรู้รู้รู้รู้รู้รูท่านรู้ไปเรื่อยๆนะรู้ไปเรื่อยๆสติกับสมาธิมันก็จะตั้งมงั่นคงมากขึ้นมากขึ้นท่านรู้แล้วต่อไปท่านจะมีปัญญาเองว่าก็คือว่าเห็นอริยสัจ ส, สีเห็นว่าขนาดที่ท่านรู้อยู่นั้นน่ะคือท่านรู้แล้วเข้าไปปรงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คือท่านปรุงเป็น พงสมุทัยสิงใดขึ้นมาไหมคือสังขารขึ้นมาสังขารที่เป็นสมุทัยขึ้นมาการที่รู้อริยสัจสี่ทุกสมุทยัยนิโรธมาอยู่ตลอดเวลาในขณะจิตแต่ขณะจิตนะรู้แบบขณะจิตเลยแต่ละขณะจิตในลักษณะที่เป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นท่านดูรู้เห็นจิตใจของท่านในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันแล้วท่านมีความอยากพงเป็นความอยากไม่รู้อยู่เฉยไม่รู้อยู่เปล่า ท่านปรุงเปความอยากรู้รู้รรอยากให้ใจมันว่างเปล่ารู้ไปเรื่อยแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงตามที่มันเป็นอยู่จริงแต่ท่านรู้แล้วอยากให้ใจมันว่างเปล่าสัทีอย่างนี้ท่านรู้โดยการที่ว่าปรุงสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านปรุงมันขึ้นมาเองนะอย่างนี้ท่านปรุงมันขึ้นเองไม่ใช่ว่าสิ่งที่ถูกรู้ทำให้ท่านทุกข์แต่ท่านรู้แล้วปรุงให้มันเป็นทุกข์คือท่านรู้เห็นจิตใจแต่ลักษณะปัจจุบันแล้วท่านปรุงเป็นความอยาก ให้จิตมันเป็นไปอย่างไรเจนอยากให้จิตมันว่างเปล่าอย่างนี้ท่านปรุงสองขานที่เป็นสมุทรไทยขึ้นมาเองที่ทําให้ท่านเป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่รู้นะไม่ใช่สิ่งที่ถูกรู้หรือไม่ใช่ผู้รู้ทําให้ท่านเป็นทุกข์ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีว่าไม่ใช่จิตหรืออาการของจิตหรือปฏิกริยาของจิตทั้งหมดซึ่งเป็สิ่งที่ถูกรู้ทําให้ท่านเป็นทุกข์หรือว่าผู้รู้ทําให้ท่านเป็นทุกข์แต่เพราะท่านรู้แล้วใจท่านปรุงรู้แล้วปรุงเป็นสองขานที่เป็นสมุทรไทย ให้เป็นทุกข์ขึ้นมาคือรู้แล้วอย่าทําจิตเป็นอย่างไรอย่างนี้เรียกว่าท่านปรุงให้เป็นทุกข์อีกอันหนึ่งก็คือท่านเน้นท่านตั้งใจจัดเลยกดข่มบังคับต้องการแคให้มันเป็นไปอย่างที่ท่านต้องการตั้งมันแน่นตัดซะจนตื้อไปหมดเลยเพราะว่าท่านต้องการให้มันชัดๆท่านปรุงจี้อย่างเงี้พยพอจี้มันก็ยิ่งตื้อยิ่งแน่น ท่านดูรู้จริงไง ม, มีสติตัต้งมั่นดูรู้เห็นปิติใจของท่านแต่ท่านยิ่งปุ่งจี้จี้จี้เขไปจี้ไปเหมือนสว่าคไในฟ้าเจาะตึกเราก็ยิ่งปุ่งยิ่งแน่นไอ้การที่ท่านจี้จี้จี้เขไปเหมือนสว่าคไในฟ้าเจาะตึกแนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นสมุทรไทยไอ้การดูสิ่งที่ถูกดูรู้เห็นไม่ได้ทำให้ท่านเป็นทุกข์ผู้ดูก็ไม่ได้ไม่ท่านเป็นทุกข์แต่สมุทรไทยทำให้ท่านเป็นทุกข์คือท่านท่านดูแล้วจี้ใส่เข้าไปจี้จี้เหมือนสวรรค์เจาะตึกนั่นแหละ มันก็เป็นสมุทรไทยเป็นเหตุ้เกิดทุกข์ท่านว่าทุกข์ควรรู้ควรกาหนดรู้คือรู้แล้วว่ามันเป็นทุกข์คือมันแน่นอึดอัดมันตื้อไม่สบายแล้วก็สมุทไทยควรละเสียก็คือว่าสมุทไทยก็คือชั้นจี้ใส่เข้าไปในสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็ตั้งตั้งผู้รู้ขึ้นมาจนเป็นตัวสว่านไฟฟ้าเจาะเข้าไปอย่างเนี้ย มันก็ตื้อๆแน่นๆถ้าเป็นอย่างนี้นะใครเป็นอย่างนี้ถ้าจละสมุทัยนั่นเสียราพฤติกรรมเนี่ยถอนจิตอย่างนั้นเสียสมุทัยนั้นกระดับไปทุกข์ก็ระดับไปการที่ท่านรู้เห็นว่าจิตของท่านแต่ละขนาท่านทําริงไดเกิดสมุทัยเป็นเหตุที่เกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วท่านมีปัญญาสังเกตออกว่าทําเหตุอย่างนี้ทําเหตุอย่างนี้ทําเหตุอย่างนี้ที่เป็นสมุทัยเป็นเหตุที่เกิดทุกข์ขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ละขนาดจิตถ้านก็สังเกตไปสังเกตไปเรื่อยๆแล้วก็ค ให้ท่านสังเกตไปเรื่อยๆจนกทั้งเห็นสมุทรไทยแต่ลตัวขณะจิตแต่ละขณะจิตปัจจุบันสมุทรทยแต่ละตัวก็เสี่ความอยากให้จิตเป็นอย่างนั้นอยากให้จิตเป็นอย่างนี้หรือว่าอยากให้รู้เร็วๆหรืออยากดูอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากให้จิตมันเปลนไปนี้เป็นสมุทรไทยเป็นเหตุที่เกิดทุกข์ในขณะปัจจุบันนั้นทักกะละพอไหนเป็นสมุทรไทยถ้ารู้แล้วทักกะละต้องเห็นมา่อสก่อนนะ ต้เห็นว่าเป็นทุกข์ก่อนคือมันแน่นอุดอัด ไ, ไม่โปรง่งไม่โล่งไม่ปอสบายมันไม่ว่างเปล่าแสดงว่าท่านทำอะไรที่ท่านไปนสมุทรไทยขึ้นมาไปก่อเหตุไปสมุทรทยขึ้นมาแล้วท่านค่อยๆละเหตุที่เป็นสมุทรไทยนั้นเสียนะ่อันนี้มันถึงขัน้นขั้นสูงแล้วสําหรับคนที่สังเกตออกแล้วก็สังเกตไปอย่างนี้ท่ากุณท่านมีสติสติดูรู้เห็น มีสมาธิในการดูร wow. mm hmm okay. ah ู้เห็นมีปัญญาเห็นอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมากในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันว่าอะไรเป็นสมุทัยที่ทําให้ท่านเกิดทุกข์ในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันจนท่านดับสมุทัยในขณะปัจจุบันทั้งหมดที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้ทุกทั้งหมดก็ดับไปการที่ท่านมีสติปัญญาเห็นสมุทัยในขณะปัจจุบันแต่ลักษณะปัจจุบันที่ทํําทาให้เกิดทุกข์ในขณะปัจจุบันคือแน่นจิตอัดใจไม่ว่างเปล่านั้นอย่างนั้นการที่ท่านเห็นอย่างนั้นเรียกว่าม มรคือจิตเห็นจิตจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลจิตส่งออกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรคการที่ท่านเห็นจิตอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่ามรคแล้วก็ผลในการเห็นจิตเห็นจิตอย่างนั้นก็คือดับสมุทัยจะได้ก็เป็นนิโรธการที่ท่านจิตเห็นจิตก็คือเห็นจิตที่เป็นสมุทัยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในขณะปัจจุบันแต่ละขณะปัจจุบันว่าจิตนั้นสองขานสิ่งใดขึ้นมาที่เป็นสมุทัย มันมีสัง ข, ขารปรงแต่งขึ้นมาเองคือมันไม่ตัวรอแล้วท่านก็ปรงแต่งสังขารตามไปหรือจะอยู่ท่ากับสังขารปรงแต่งขึงงน้นมาเองปรงแต่งขึ้นเป็นสมุทรไทยขึ้นมาเองเป็นความอยากเป็นความดิ้นรนท ย, ยานอยากเม้นขึ้นมาตั้งใจขึ้น่าตั้งใจจับมากจนไปขี่ใส่เข้าไปมบนสวรรคไฟฟ้าอย่างนี้ท่านจะสร้างสมุทรไทยที่เป็นเหตุปัจจุบันในปัจจุบันนั้นเมื่อท่านเห็นสมุทรไทย อย่างนี้เรียกว่าเมื่อท่านเห็นสมุทรทยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้เรียกว่ามัสกิจเห็นกิจเป็นมัอกิจที่เป็นสมุทรไทยก็เรียกว่าท่านเห็นท่านเห็นมัสมัสก็คือเห็นสมุทรไทยดับไปเห็นสมุทรไทยเกิดแล้สมุทรไทยดับไปเห็นทุกข์ก่อนเห็นทุกข์จึงเห็นสมุทรไทยที่ทำให้เกิดทุกข์นั้นคือแน่นอึดอัดคืบไม่ว่างเปล่าแล้วท่านก็รู้ว่าสังเกตได้ดีๆว่าอะไรเป็นสมุทรไทยที่ท่านแน่นอึดอัดคืบไม่ว่างเปล่า แล้วท่านก็ละสมุทัยนั้นเสียเมื่อละได้แล้วท่านก็รู้ว่าละได้แล้วเมื่อละยังไม่ได้ก็รู้ยังไม่ละไม่ได้ก็ดูรู้เห็นไม่อยู่เฉยดูรู้เห็นสมุทัยอยู่เฉยไม่ต้องทําอะไรกับมันนะเดี๋ยวสมุทัยมันก็ดับไปเองถ้าท่านเห็นมาแล้วไม่ต้องทอะไรกับมันเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองเพราะว่าสมุทัยก็เป็นนิจังทุกกางอนรักตาเหมือนกันถ้าก็ดูรู้เห็นไปเรื่อยๆคอยรู้ว่าอะไรไม่ต้องควานหาว่าอะไรเป็นสมุ ท, ทัยท่านรู้รู้รู้รู้ไปเดี๋ยวท่านรู้เองว่า อะไรที่ทำให้เกิวก่อขึ้นมาแล้วทำให้ท่านเป็นทุกข์ในตัวของตัวท่านเองอันนี้คือขั้นสูงขึ้นไปยิ่ในขั้นที่สุดสาหรับท่านอื่นก็คือว่าท่านพุทโธไว้ในขั้นแรกนะในขั้นแรกสําหรับท่านมาใหม่ก็พุทโธพุทโธไว้นะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไเรื่อยๆพุทโธครั้งหนึ่งก็มีทหารฝ่ายที่เป็นธรรมมากขึ้นเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนึกพุทโธในใจก็จะมี สร้าาหารฝ่ายทีเป็นทํามากเรื่อยๆนี่ถ้าตัณฑลพุโธทิ้งไปมันก็สร้างทหารฝ่ายที่ที่เป็นโลกฝ่ายที่เป็นกิเลสตัณหาไปคิดปรุงแต่งทางกิเลสตัณหาคือควาทุกข์ใจความไม่สบายใจวิตกควาวล่นว้าหมองต่างๆตอนมีเดจีนวิชาวิจารณอิจารสียาผู้อื่นอย่างนี้ท่านก็ปล่อยให้ปล่อยมันคิดไปนะมันก็สร้างทหารฝ่ายที่เป็นกิเลสตัณหาเป็นโลกมากขึ้นเรื่อยๆเราะทานคิดพุทโธมากกว่ามัน มันก็เป็นสหารฝ่ายธรรมทหานฝ่ายธรรมมากกว่ามันก็จะมีกําลังมากกว่าก็จัดการสหารฝ่ายที่เป็นเป็นโรคเป็นกิเลสตัณหาสิ้นหมดไปเองตั้งแต่คิดพุทโธไว้คิดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้พอท่านพุทโตมากกว่าไปเรื่อยๆขณะที่ตัานมาอยู่ที่นี่คิดพุทโธมากกว่าไปเรื่อยๆสหารฝ่ายที่เป็นโลคเป็นกิเลสตัณหาก็จะถูกกําจัดไปเองท่าไม่ต้องทําอะไรขอท่านคิดพุทโธให้มากกว่าความคิดอื่นๆกัแล้วกันนี่ในขั้นแรกๆ แต่ความ แ, แรกนี้ก็มันก็ถึงมันก็ต่อนเนื่องมันจะถึงขั้นสุดท้ายของมันเองแล้วต่อไปท่านก็ท่านกลางก็คือว่าถ้าก็คิพุโทโธไว้สาหรับผู้ที่สามารถดูรู้เห็นจิตใจของตัวเองในทุกขณะปัจจุบันแล้วถ้าก็คิพทโพุโทโธพุโทโธพุโทพโธแล้วก็ดูรู้เห็นจิตใจของตัวเองในทุกขณะปัจจุบัน คิดพุทโธแล้วก็ดูรู้เห็นใจมันดีจิตดีใจไม่ดีก็ไม่ดีใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลนักุศลก็รู้รู้รู้รู้รูตัดแต่วันรู้รู้ตับแต่วันรู้เราพุทโธไว้พุทโธพุทโธพุทโธแลวดูลุ่เห็นใจตนเองไว้ใจตนเองดีก็ดีมันชั่วเป็นชั่วบุญเป็นบุญบาปเป็นบาปแล้วแต่จะเป็นยังไงในปัจจุบันเราก็ดัแต่ว่ารู้รู้รู้้พุทโธพุทโธพุทโธแล้วรู้หมดเลยใจเป็นยังไงรู้หมดพุทโธพุทโธพุทโธใจ ดูรู้เห็นไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรนะยันหนีอย่ากลัวอย่าพิจบกังวลอย่ากลัวเขาดูรู้เห็นไปเรื่อยดูดูพุทโธพุทโธพุทโธดูเลยใจคนเดินไปเรื่อยๆอยันหนีอย่ากดอย่าขมอย่าบังคับอย่ากลัวแล้วก็อย่าเพ้อฝ่ายตามเข้าไปให้พุทโธพุทโธดูรู้เห็นใจใจองไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธแล้วดูนี่ระดับปานกลางแล้วขั้นสุดท้ายก็คือผู้ที่มีปัญญาขั้นสูงสุดแล้วคือมีสติสมาธิเสร็จแล้วกับปัญญาก็คือว่าสังเกตเห็นออกว่าอะไรเป็น กำลังปรุงสังขารคือสิ่งที่มาล่อนั่นเองคําบเมืปรุงไปสังขารเขาไปยึดถือหรือว่าเราปรุงเข้าไปยึดถือเองเห็นจิตที่ปรุงแต่งเข้าไปเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือเห็นอริยสตรีทุกขณะปัจจุบันเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาขั้นสูงสุดแหละคือในขณะปัจจุบันจากขณะจิตเรียกว่าปรุงเป็นสังขารสังขารจิตหรือจิตแต่สังขารขาปรุงเป็นความคิดขึ้นมาปรุงแต่งจิตขึ้นมาให้เป็นสมุทยัย เป็นความอยากเป็นความที่หลนทยานอยากให้อยากเช่นอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากบรรลุธรรมเดี๋ยวนี้อันนี้ก็เป็นสองขานที่เป็นทุกเดี๋ยวนี้เลยแม้แต่อยากจะจะปณิพันเดี๋ยวนี้ก็ปุ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นทุกเดี๋ยวนี้แม้แต่รู้รู้เห็นอย่างเดียวรู้รู้รู้รู้รู้รู้รูรู้ให่าหญ่ใหญ่ไสยากก็เป็นทุกทันทีเป็นสมุทัยเป็นเหตุเกิดทุกทันทีต้องวางความอยากเสียแล้วรู้อย่างเดียวอย่าหนี้อย่ากดอย่าคมแต่าต้องครับคิดได้ทั้งวันเลยผู้โตคิดได้ทั้งวันทั้งคืน คิ่ไปทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาพุทโธพุทโธคิดพุทโธพุทโธคิดพุทโธแล้วนี่อย่าอย่าพยายามไปไปหาความสบายอย่าพยายามหาความเบาความสบายอย่าพยายามให้ออกจากอย่าอย่าพยายามหาให้ความอึดอัดทุกอะไรให้หายไปอย่าพยายามไปหาที่สบายที่สว่างพุทโธอย่างอย่าคิดพุทโธพุทโธพุโธมันสบายก็รู้มันไม่สบายก็รู้มันสว่างก็รู้ไม่สว่างก็รู้ คนทึกก็รู้ปล่ก็รู้กัตว์รู้รู้ๆจอยาอยาเข้าไปจัดการอยากเข้าไปแทรกแซงอยาไปเซ็ชั่นให้รู้อย่างเดียวรู้รูรูระอยากเข้าไปจัดการอยากเข้าไปแทรกแซงอย่าเซชั่นอะไรพโตไว้พุโ้พโตุ้้ใจเราเป็นยังไงรู้รู้รูู้โตโอรยะระหว่างัำการกับไม่รำกาญคุณคิดว่าอนไรดีกว่าไม่มีอะไรดีกว่าไม่มีอะไรดีกว่ากันใช่ยุที่เราแต่ถ้าเรางงๆึนๆเราหลับไม่ได้อย่าทัานอี่ตอนเนี้ย ตอนนี้มันไม่ตอนนี้น่าจะเดินเต็มตังแต่เพราะว่าตอนนี้มันไม่คล้ายๆกับว่าสติสัมปชัญญะมันไ ม, ไม่ไม่เต็มมันไม่สว่างไม่สดใสร้อยเปอร์เซนตมีสักหกสิบเปอร์เซ็นไข่สี่สิบเปอร์เซ็นไปกระโดดโลดเต้นเดินไปเดินไประยักปยยัดตัวแรงแรงแรงแรงนะครับุุบญญุถ้าเราจะนั่งเฉยๆหลับตาได้มันต้องมีสติสัมปชัญญะร้อยปเ็นต์อนนั้นไม่ง่วงเอาเานอนไล แต่ถ้าเราง่วงเห้านอนละไบบตัวเราลองลองดูก็ได้เพงันนี่ปุ้งไปเลยลรงพุโต้ไตๆไปกลัวมึงง่วงไปกลว่าต้ไปเรื่อยๆก็ได้แต่ไม่สนใจมึไม่ง่วงกับไม่สนใจก็ได้เหมือนกันลองทดลองสังเกตดูแน่นแล้วก็คลายตาแล้วก็พุโต้พุโต้พุโต้พุโต้ใช่ใช่แต่บางทีบริการชาลงก็พุ้งชาอะพีกินความคิดอื่นมีมากกว่า แต่บางที่บริกรรมเร็วเกินไปก็แน่นอย่างที่ท่านว่าเนี่ยถ้าอย่างนี้ทนมีปัญญาแล้วเริกเริ่องปัญญาแล้วปัญญาเห็นสมุทัยนะว่าบริการเร็วไปทําให้แน่นอย่างนี้มีปัญญาเห็นสมุทัยแล้วก็ผ่อนคลายลงแต่ผ่อนผ่อนคลายนะผ่อนคลายเสร็จอ้าวความคิดอื่นเราไปกินหมดพอุทโธจ้าความคิดอื่นเราไปกินถ้ากำมองเห็นนีกว่าอบริการพุทโธจ้าความคิดอื่นเราไปกินอย่างนี้ท่านแสดงว่าท่านเห็นเห็นอ่าทุกสมุทัยน่โลดมาตลอด เราจะก็ปัดปรับมาให้มันพอดีอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าท่านจะตั้งความพอดีไว้ตลอดเวลาไม่ได้ทำไมถ้ะตั้งความพอดีไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเราต้องมีสติปัญญาเป็นอัตโนมัติตามมันไปต้องถ้าสมมติว่ากิเลสตัณหามันคิดน้อยลงเราก็พูทโธน้อยลงได้ถ้ากิเลสตัณหามันคิดถี่มากเลยเราก็ต้องคิดให้ถี่ถ้าเราโม่งเราไปคิดจะจาของโม่งเราไปกินอีก เ, เรื่องนี้แสดงว่ามาีสติสมาธิปัญญาหรือว่าเป็นปัญญาเห็นทรียสตินี่ถ้ามัน มันคิดชาญฉาแล้วเราก็ล้วก็อาจจะดูรู้เห็นได้เลยโดยไม่ต้องพุทโธแล้วก็เราดูดูรู้เห็นุอ่าอย่างอื่นเราไปกินหมดแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมาอดี๋ยนี้เรียกก่บมุมงมินชลาในการปฏิบัติทำไปเรื่อยๆจมันเป็นยังไงก็รู้เลยแล้วก็ทาไปเรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องสงสัยไม่ต้องหาความสงสัยอะไรพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมไปพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่กระดูงาเดี๋ะยยเว้น๋ยวเว้นวันาน เวลามันมันคิดจ้าถ้าก็คิดจ้าลงแต่เวลามันมันมันมีความคิดอื่นเร็วมีอารมณ์มีอารมณ์ันซึมเศร้าแล้วก็ทาให้เร็วขึ้นแต่ถ้ามันมันคิดจ้าอยู่แล้วมันไม่มีอะไรแล้วถ้าก็ดูรู้เห็นที่เฉยก็ยังได้ยังไม่ต้องเชิดพุโตก็ได้แต่ถ้ามันมันคิดจ้าแล้วก็พุโตจ้าแต่ถ้ามันมีอาการอะไรแล้วก็ดูมันอยู่ทีเฉยพุโตพุโตแล้วดูอยู่ทีเฉยได้ถ้ามันพุโตพุโตแล้วดูอยู่ที่เฉยมันจะเป็นยังไงก็จังมันแล้วก็พุโตพุโตแล้วก็็ดููร้เเหนนอฉะะาจ ถ้มันไม่ไม่พุทโธบางทีมันเข้าไปจี้เหมือนสว่างไฟฟ้าเจาะตึกเข้าไปจี้กดขมสำหรับพุทโธพุทโธอะไรเนี่ยมันก็มีความคิดพุทโธเสรแล้วอ่านหนึ่งมันก็ไม่มันก็ไม่กดนิ่งเงียบเฉยเฉยแต่แบบพุทโธมันจะหายไปเองเราพยายามรู้เท่าไรมันก็ไม่ขึ้นมาเราก็ปล่อยมันแล้วเราก็ดูรู้เฉยเฉยดูให้สติรู้อยู่ที่ความเงียบนั้นแต่ถ้าเราเอาหายพุทโธตั้งแต่แรกเราสติไปจ้องมันเฉยมันไม่อ่าจมันเราวก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอะไร ถ้าเราสติรู้ที่เฉยมันไปจ้องเรอัดมันเข้าไปเลยอย่างนี้แย่ก็เราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธดูรูเรื่อยๆจนทั้งความคิดมึนๆนั้นหายไปหมดมันก็จะนิ่งเงียบเราก็เอาสติรู้อยู่ที่ที่มันนิ่งเงียบอยู่นั่นแหละแล้วก็พุทโธมันก็ไปต้องแล้วแล้วพอมันได้เงียบอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะคืนตัวขึ้นมามาคิดอะไรอีกแล้วก็เราก็พุทโธพุทโธอีกพุทโธพุทโธพุทโธจนมันจนิ่งเงียบไปอีกเราก็เอาสติเพ่งดูอยู่ที่ความนิ แดีวมันก็ความงเงียบเงียบก็โผล่มาคิดอีกแล้วนั่นก็ธรรมดาเด๋โผล่มาคิดโน้นคิดนี้แล้วก็พุโต้พุโต้พโตต้ต้ต้อย่างเงี้ยทำสนุกสนุกแต่ทําให้ต่อเนื่องทำสนุกสนุกแต่ทาให้ต่อเนื่องเข้าใจไหมอลองทําดูตั้งมันไปประเวทอะไรงนะผ่อนคลายผ่อนคลายผนคลายก่อนผ่อนคลายไม่เราไม่ต้องการกายที่ตั้งมัน่น ใจที่มีสติรู้รู้รู้รว่าใจตัวเองเป็นยังไงพุทโธพุทโธพุทโธเราก็ดูรู้เห็นใจตัวเองทุกอย่างทุกขณะปัจจุบันพุทโธพุทโธไม่ต้องการกายที่ตั้งมันไม่ต้องกายตั้งนั่งนั่งแข็งไม่ต้องพุทโธพุทโธพุทโธทโดูรู้เห็นใจตัวเองทั้งหมดขณะปัจจุบันยังไงตกใจไหมประจะตายยตาเดิมๆน่ะเออไงผมไม่เป็นไรตอนนี้ตอนนี้หมอใครไม่เกี่ยว ตอนตนตอนมันโมโหก็โมโหที่ปล่อยมันเองตอนนี้มันไม่มีก็เราอย่าไปอย่าไปนึกถึงมันเพราะตอนนี้ไม่มีอารมณ์โมโหนี่เราพุทธโธเรื่อยไปตอนนี้จะเป็นยังไงก็รู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันนี้ไอ้ไหนมันอดีตไปแล้วอย่าไปสนใจมันอนาคตก็อย่าไปสนใจมันเดี๋ยวมันจะโมโหอดีตโมโหแล้วมาแล้วไป่าจนี่แทบจะดูรู้เรียนได้ทุกความคิดเลยทุกทุกทุกทกิตขณะจิตที่มันพรุงทุกความคิดทุกปริยามันตั้งใจเจตนาจงใจมีพฤติกรรม มีการเข้าไปแอบหยับทําอะไรแอบทําอะไรตั้งใจรู้รู้เห็นไม่หมดรู้รู้รู้รู้รูููู้รู้รู้เรื่อยๆอาจารพุโตไปเรื่อยๆเลยกระไรเรก็รู้รู้รูู้้ทุกอันเลยทุกจิตทุกขณะจิตค่อยปล่อยวางไปเรื่อยๆปล่อยวางปล่อยวางรู้แล้วรู้ในความปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไปปล่อยวางไปปล่อยวางไปพุโตพุโตพุโตพุโตรู้ด้วยความปล่อยวาง ปล่อยวางทุกอย่างลงคะนนดีมากเลยเนี่ยนะถึงจุดทีสงบระงับปล่อยวางทั้งหมดให้สิ้นไปไม่ตั้งอะไรไว้เลยในใจเหลือแต่รู้อย่างเดียวรู้ที่ที่นิ่งที่สงบที่สว่างที่ว่างนั่นแหละปล่อยวางไปแล้วก็รู้ที่สงบที่นิ่งที่สว่างที่ว่างนั้น เอาสติรู้อยู่ตรงที่นิ่งที่สงบที่ะวางที่ว่างนั่นเลย